พระบัญญัติ921ก็พิจิตรีใดให้ล่วงเลยสมัยแห่งจิวะละการด้วยความหวังในจวนที่เลื่อนลอยต้องอบัติาจิตตีเรื่องพิจิตีทุลนันท์